อนาคตทปัจจุบันด้วยเป็นจะสักว่ารู้เป็นจะสักว่าเห็นพรอมทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในที่ใดใดด้วยไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ศูนย์หรือไม่ศูนย์ด้วยท่านก็เข้าสู่อนุภาติเสสนิพานไปซันัน่นนัน่นภูมิของพระราหัสน่นถ้าเป็นพระสวดาบันก็ไปสุคติถ้าไม่เป็นพระสวดาบาลเลยก็ไปตามเหตุปัจจัยที่จะสร้างไว้น่ะ ถ้าเป็นพระโสดาบาลแล้วไม่ได้นึกอะไรก็ตามก็ไปสุกติมีชายคนหนึ่งไปกราบทูนพระบรมศาดาในเวลาผมไปเมืองสาเกตเมืองพาราณสีหรือเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วกะไปเห็นรถมา้ารถวัวเขามาในทิศทั้งสี่คอย เปรียกรถมารถหัวเขาทําให้เปรียกเขากระชอนยังเจ้งพระเจ้าข้าเราก็ลืมภาวนาพุทโธไปสะกแตผมตายในเวลานั้นจะไปะเกิดที่ไหนถ้ า, ารบรมศ า, าสตา บ, บอกว่าอย่าเลยอย่าเลยต้นไม้โตๆที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกแล้วใครจะมาโค่นมันมันก็ล้มไปทางทิศตะวันออกมันเองชันใดก็ดีเมื่อจิตของ ลูกๆหลานๆถึงพระพุทธธรรมประสงค์แน่แน่นแล้วถึงจะลืมบ้างก็ไปสุขติท่านพูดอย่างนั้นเข้าใจหนะทีนี้เพราะจิตฝังแน่นแล้วถึงจะลืมบ้างก็ไปสุขติเพราะมันเอ็งไปในทางพระพุทธธรรมประสงค์เลยเอ็งไปโน้มไปโอนไปในพระพุทธธรรมประสงค์ในพระพุทธศาสนาถึงจะตายในเวลาไหนจะไม่ได้สติก็ไปสุขติท่านพูดเพราะมันฝังแน่นแล้ว แผนดินน้ำ้องแสนสี่หมื่โยชเขาเอารุกระเบิดประมาณมาทำลายแตกจิตใจถึงพระพุทธประทานประสงค์ลึกไปกว่านั้นแน่นไปกว่านั้นไม่ยอมแตกเลยนั่นถ้าเราสงสัยว่าคําสอนใดนๆมันเหนือคําสอนพระพุทธศาสนาอยู่การถึงพระพุทธประทานประสงค์มันก็บุร a l เลยถ้าเข้าใจว่าคําสอนใดนในไต้ลกท่าเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเหมือนเขมทิศเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือหมดถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วแล้วก็ไม่สงสัย นักไม่สงสัยอยากจะถือรัฐที่อื่นศาสดาอื่นนั่ห้วยน้องคลองเมืองบา ง, งต่างๆเทียบในทางลึกซึ้งก็ให้คำหนึ่งห ล, หลายทางน้่งห้วยน้องคลองเมืงบา ง, งต่างๆไรลโงสู่รมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวกันใดคําสอนใดๆก็ไร้โรงสู่รคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉะ น, น, น, น, น, นั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกนะเทียบในทางลึกซึ้งถ้าคิตใจยังสงสัยว่ารัที่อื่นๆคําสอนอื่นจะเหนือพระพุทธศาสนาขึ้นไปอย่างนี้การถึงพระพุทธศาสนามันก็ไม่สนิท ใครมาปั่นไปที่ไหนมันก็ไปถึงแม้ไม่มีผู้ปัน่นมันก็ปั่นมันเองมันก็ไม่เชื่อในมันถ้ามันลงเอยว่าคําสอนใดๆก็ตามเถิดเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาทั้งนั้นละมาถ้ามันนึกอย่างนี้แล้วการถึงว่าพุทธประานประสงค์มันก็ไม่สงสัยนี่เอ๋อทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโรคฟ้องอ่างความละอายตบบาทเท่านั้นความกลัวตบบาทเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์ยืนยันเนี้ย ถ้าไม่มีอยากอายตาบาดไม่มีความกลัวตาบารแล้ ว, ก, ก, ก, ก, ก, วก้นไม้ก้หมูก้นพักก้นพวกหรือกดอะไรอะไรก็ตั้งไม่อยู่อู๋ของทำไม่ําคำหนึ่งก็หมดที่เพึ่งพิงเองอาใส่ทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในเี่รับมีน้าช่องก็ทําในที่แจ้งอีกด้วยนั่นพราะอดใจถึงคนเราใจถึงทุกคนแมลงวันมันก็ใจถึงเหมือนกันมันก็อวดใจถึงแมลงวันมันใจถึงทางกินเจสอนมันใจถึงทางกินมุกโคตารแมลงพึ่งมันก็อวดใจถึงเหมือนกันแต่มันกินเจศรดอกไม้ มันก็ว่าประชาธิปไตยมันเหมือนกันเมื่อแรงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยมันเหมือนกันนั่นประชาธิปไตยมันก็ต้องเลือกเอาเลยนี่มันก็บอกว่าสังคมนิยมมันเหมือนกันมันก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นเหมือนกันมาแรงผู้มาแรงผู้ก็บอกว่าโลกเขาพาเป็นมันก็บอกว่าประชาธิปไตยเข้ามามันก็บอกว่าเป็นของทิปของมันมาแรงวันมันก็บอกเหมือนกันแต่มันมีมันมีต่างกัน่ะมีผลรายรับต่างกันมีเหตุต่างกันมีผลต่างกันอืมพระพุทธศาสนา ไม่เป็นการบังคับให้เชื่อจริงอยู่ถ้าบังคับให้เชื่อมันก็ขบวัตคืนมันไม่เห็นเองใช่ไหมนั่นโอ้ถ้าเอาสมบัติพัฒนานมาจ้างมันให้มันเลื่มใสงดสมบัติพัานวัตถุแล้วมันก็ขบวัตคืนใช่ไหมปล่อยให้เห็นเองปล่อยให้เรื่อมใสเองนั่นพระพุทธศาสนาปล่อยให้เรามีสิทธิ์เห็นเองเรื่อมใสเองนั่ ไม่ใช่พุทธศาสานาบังคับนะศาสนาอื่นๆเขาก็มีเครื่องรอมีเครื่องรอแต่ว่าหมดเครื่องร้อแล้วก็ขบขืนอีกเหมือนกันนะถ้าเราเป็นนกเป็นฟ้าก็เป็นนกเป็นฟ้าที่ฉลาดอย่าไปติดเบ็ดติดแล้วเทนายฟานโซ่เล่าไว้เนียวเขาจะทุบหัวไปต้มแกงนักถูกไหมเออ <laughs>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 เราสอสแสดงให้เห็นว่าเขาเลื่อมใสพระพุทธศาสานาไหมถ้าเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสานาเราก็เห็นภูมิจิตภูมิใจเขาอยู่ในระดับใดใช่ไหมนั่นนั่นนั่น น, นัเขาจะไม่รู้ตัวเขาก็ะตา่างนี่ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดข้าข้างธรรมไม่ใช่พูดเข้าข้างตัวเพราะพระพุทธศาสตร์เราไม่ยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นของเราคนเดียวแต่ว่าเราพูดเข้ า, ข, าข้างตัวก็ไม่ได้นั่น ถือว่าเป็นของกลางเรียกว่าธรรมะเป็นของกลางสิ่งไหนที่มันดีเราจะมาให้คะแนนชั่วมันก็ลำเอียงสิสิ่งไหนที่ชั่วเราไปให้คะแนนดีมันก็ลำเอีงยในนองใช่ไหมลำเอียงเพราะความความรักใคกร่กันเรียกสันทาคติมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็ตามเพราะรักมันนี่ก็เรียกว่าสันทาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติมันจะทาถูกสักเพียงไหนก็ตามเพราะดังเกียรมันก็เรียกว่าโทสาคติ แล้วยังพราะเขาเรียกโมหะกติเพราะไม่สามารถระงับสิ่งนั้นได้เอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยไปจากพระุทธศาสนาฝ่ารบรมบ่บรมฝนบดโกฝ่ารบล่มฝนบดตกตามฤดู ก, กาลคนบิดเบือนจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเบาเนี่ยเม็ดสีอย่าอื่นเนี่สีคนเป็นโยของพระชาติส้นชาตโลกอยู่หังเหินจากพินรม บิดดืดเบือ น, น่เพระธธ า, า, าพระพ้นชาติาตาะานะพนมาตกตามแล้วดูกาลเงิ่คนว่าพ่นเป็นนำ้ำดัดกอกไหม่ล้ท่านเขาสั่งใ้สายมาตกขยั ง, งยยสั่งมันมีกอกใหม่จากตนก่อนช่างบอกมันกับวนทองมันมั น, มนกับ่าตกเสียสั่มันคือปัหาตกแต่ก็กอกใหม่ยุ่นอ่นพี่อกเข า, ยยนนยายออสั่มีมันแสี่ยงด้วยกัน วันนี้ผมมใหม่ผมาต๊ะกันนไปต๊ะแต่ปลาหิมะฟาดมันก็่อกสังเสีหมเสียหมันตายหกโอบิสเบือนจากพระพุทธศาสนาบอกอามาบอกเนี่ยวันมันแมนมาบอกราเนี่ยวันโมแมนพูทานสอนในใรลักประาแล้วิทิน่อข้ามสอนพระคนทีเกี่ยวห คำสอนในไทยเรากระท่าไ ม, มีอันไหจะยิ่งกว่าคำสอนพระพุทธศาสนาหรอกมันเป็นเรืองขืนคำสอนพระพุทธศาสนาแล้วมัดบ้ารูดตัวโกบเลือกนายนะฮะเอาคำสอนมาปกคลองข้าน่ายมาปกคล้องป้องกันตัวไว้มันเป็นเรื่องกบเลือกนายยังไมีโกบวงหนึ่งอาศัยอยู่ในวงใหญ่อยู่ว่ากโกบวงนั่นอยากจะหานาย พงของพองกันตัวแล้วไปร้องแกลียดเทวดาเทวดาทิ่งขอนไม้ลงไปเสียงดังสะท้านไม้กบตื่นตกใจมีกบกล้าตัวหนึ่งว่ายหน้ามองมาแล้วเห็นข อ, ไอนไม้ก็ดีใจขึ้นไปงอยอยู่ที่บนนั้นขึ้นไปจับจุดขึ้นไปขี่อยู่บนไม้กบทั้งหลายก็ไปขี่ด้วยอยู่มาอยู่มาหนึ่ว่ า, มาไม่จะจร้อยหนะ้ามันซื้อไม่เปญญิดหน้าสอนเท่าไหร่หากบตัวไม้มาส่อสั่นเทนดวดาเห็นก็งงเขาของกบกบทั้งหลายปล่อยนก เขียนลงไปนกกระสาเนี่จิ๊กบกินมือแล้วตสองตัว้กบมดกบฝูงนันั่อันนี้เนอูในโมเฮาของพุทธศาสนาดีๆไปวิ่เดือนพุทธศาสนาจิ๊หายไปวะเห็นบมดประเศสาบานเมืองการปกครองเขากักันสาบนเมืองเข้ากันปกครองแอ้พวกเพืพันเขาับกันสิหวังเอาเอาไปยังบกว่าปกครองบ้านนั่นแหละบรจับบรรต้ที่หมายเอาเงินเดืเงินสักษามา บำบัดลูกเต่าด้านเลี้เนี่ยมันเจริญเนี่ยนะพกเต่บเด่นให้เสียให้ดหน้าเสียหน้ากะไม่ใหม่ไื่ไม่ซ่านมันที่ดินมันไ่ใหม่ไใหม่เรียกเลาใหม่ที่ดินมันยังอดหลอดของแขนกอนขายังใหม่บัดอดหลอดให้ใหม่ให้ใหม่หน้าใหม่หัวใหม่สวนใหม่เฮียนใหม่ซานอันนั้นออไปจำนองอันนี้ออกไปจำนอกะ่นหลุดนองขึ้นตะพืชตเพืชตัวของเงี้กี้ง จะควดหู้หยุคคือปูนี่จะปูเพั่นก็นยังมีที่ดินอยู่กี่รอกี่น่ายวั่นบัดมนุษย์แทนว่มีที่ดินอยู่นั่นตัวเป็นรัฐบาลนี่วาดกระเพ้าวนนั่นเริ่มเป็นอวัยวะหมกบอมมาเลยนประเทศไทยมีเจ้าสมชาตินาพุทธชาสนาพุทธเอ า, เ อ, าเอาวุธตัดถินนั่นนะผมจำม่ามันคลักหลายต้องจิ้มี้พัดกัน เนวุฒิเวราวนิยมเจ๊นเนี่ยทำเป็นโกกรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความนาอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้สองข้อท่านคน่ะมีสองขอนน้อเ่รอเครื่องลูกบุเมิดปารมานนมันกับโอยูมีิตงเว่ยนสนองเวียนไผ่สนองไนะ่ เหตุสัตว์พระพุทธเจ้าจึงไม่สินหาไว้สินหานี่แล้วก็ปดเวนด้นไผ่เลยบนของเด็กหน่อยเลยสินหานี่ยสินหาเป็นสินปลดเวน้นปดพไพ่เ้ยสินหาเป็นสินประโถดบันเมื่อเสียดายอยากรวงละเมิดสินหาเมื่อเสียดายอยากรวงละเมิดอบายยมุกเมื่อเสียดายยักถือศาสตรอื่นมันก็เป็นสุภเจ ป, ปนโนเมืก็เป็น พระสวัสดาวันเนี่ยเป็นปันที่โตขละมาวะสังเป็นมันทิดเป็นผู้ครองเรือนก็คือผู้มีชินหาเนี่ยท่านว่า่วนชินผาหน้าข้ามี่มันชินแปดก็เช่เาอยากลงละหมดสินแปดไม่สินผาหน้าข้ามี่่อยากลงละหมดินสองรอยยี่ิบเกศบริบูรณ์มันสินพระอรหันต์นั่น วันนั้งมีไปซี่ทั้งคางพลันวาสร้าโลกท่้ตัวคอยเป็นผู้สราดกพระพุทธศสาสนามืกอกไปว่าหลอดเลยอ่ะช <c oughs> าเทวมนุษยานังเมันผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มพู่มเลยเนี่ยข้ามชอนพระพุทธเจ้าอับอายมยกางงก็ม่ เ, มเกิดวันนู้ดวิบัตเอาสากะคักไงเอาไปเื่อเี่ย เบื้อจะผ่านะเขาบุคค า, ามงังคอลนเจ้าข้องไปส่งเสริมเหล็กพาวัดเบอร์เขาแล้วมันบวดอินที่แตกยังสู่เขารักษาชิ้นหามได้เลยงนจบพระไตไปดกหัวร้านคุ่ ง, งอ น, อ น, นองมึงก็ร้องเมืองินทอนไปว่ารอดนุ่งหน่อยโฮมหน่อยว่เนี่น อเอามาบูชาพระพุทธศาสนาบุควนทำนั้นไม่ยู่ในประเทศไทยเหอ้อของยังสัน่นถ้าการธรรมาหาเลี้ยงวิตก็ยังไปพระถืพะะยอพร ะ, ะเน่นก็ได้ญาดโน้มก็ได้ถ้าเน่นก็ไปพระถือผลเพื่พระหาเลียกไลผลมาขาย พระก็ได้พระเขาไปฆ่าเล็กหลปเสค่าท้า้พระพุทธเจ้าขังเพื่นก็ขังก่อนเห่าเาพพระเล็กๆน่อยถ้เเสคฆาท้าจนมามาไม่ไมีเพื่อนขังเขาบอกเย ก, กันตั้งต๊ะได้จอหัวก็ปันนเงียเระว่าพเออว่าพระพระุทธเจ้า ว, ว่าขังตานโต เฮ็ดหูบบักข้อก็รอใครแล้วกับเฮ็ดสวดให้เพื่นขังมันไปบวชให้เพื่อนเพื่อนบวชต่กอนโตขุนตะกอนพอกอนแม่โตนก้อนทวตาทวดง่ายทวโตขุนไปบวชให้พระพุทธเจ้าขังเจ้าของเจ้าของขังปัตตานพันก่อนมันก็เป็ดตะเบือบอกว่าเนี่ยมันติดหยุดผิมันผิดอะไต่้งตั้ง ที่พวกเราเนี่ยมักผลในผ่านทุกขังอนิจจังอนิอนตาเรากินที่แตกเนี่ยเหรอวะมันผิดหรือจะผิดเปิดเสกพระพุทธรูกขงังพุทธาพิเศษนะเสกว่าเสกคนก็เป็นพุทธเจ้าย่างเต็มที่นะพระเล็กไหลพระพันธเนาะเกิดมารถไสเขาขี่ไปยื่นไรน้ำล่างลากเงินตาแตกวงเงินหมดปัญหาตายยังพระเล็กไหล ตัวกกูตัวมึงนึงตัวกูวคือแมงวันน่ะกูไปเห็นกล่องขียวคุ่นกล่องนึงจ็ไม่ยา่เห็นมาไปอล้เห็นกับวินไปทัากันตัวเรื่องพูเรื่องเผิงมันกับไปหาเจาะซ้อนด อ, อกไม้มันตัวนั่น <c oughs> ยูระดับเดียวคันสับิงยูแต่ยูตั้มโพดเ่าอามมะผม่ปนระดับมนุษย์ รับมนุษย์บุคคลประเส็ิฐังสัตว์ศาสตรพสุนทรภตายไปแล้วข้าขึ้นสูไปบักไม่อเคอร์เทเอากูไปขายแล้วพุทธเจ้าสร้างไว้ข้าพี่ไหนโมมี่นะที่เอาไปสั่งรับเพราะว่ายักษ์ขังกับสร้าง ส, งสเอาพระพุทธเจ้าไปขายอย่งนั่นงามเพิ่อนมาก ช่วยเหลือว่าท่านขอแพ้ว่า พ, าพลาพื้นเดียวขายวัลเหล่าว้ลจะเป็นจะเทียอะไรยังไงกไปซื้อเ อ, อาหนึ่งฟาดกับป้าหัวหน่องพลาพื้นเดียวขายวัลจะเทืยอะไรเบื้องเบื้งเบืองงนป้อมปอ่ี่จะฟาดกัป้าหอดอกไม้ดอกเดียวขายยัดบืตอ จับได้เลยงัดเขาด้คนโตคนกิเยดรลายโดยเฉพาะของงูอะไรนะกิเลสรยเหลายญสุดนั่นสุดนี่เพราะว่าสุดอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เพราะว่าอยู่ย่งคงขาพันธ์เพราะว่า นึงตายเอาตายเอาตายเอ า, าเ อ, าาอา่ะนะตายไปเมื่อนพระแขนข้อรับสาบอยู่พระเจ้าบอกไ้คำพี่ไหนซื้อที่พรักประศกทุก้อไปเขาทับจับเซาะใส่ละอยู่ท่านทุตจิตเนียไรลนโะอ้โหกูไปแขนค้อไปแล้วซู้พันเอาไ้คำพี่ไหนพรเจ้าวันดี้มีนี้เนั่ มีช้าที่ทไห้งั้นม่าบ้าฝ่าไปไห้เงันเเง้นมา่าบ้ า, าเ่าไปให้ขาดอกเบี้ยเขาเอาไปป้อมเชลเลกนี่เล็กขับไปเล็กขับไปแล้วก็เอ า, าอแล้ววันนี้กังหันงอกละ สัวกูวาอาขึน้นจะแม่นโตนั่นเลขเพราะว่ากู่ฝันเพราะว่าสูเออเออกูไปหาพระช้างมันชื่อหลายเสืไเอไอโตเด่นเสือมาจากออรุปกูเพราะว่าเสือมากินก น, นันากูเพราะว่าเจ่ากินหมดรือทองอย่างไว้จักกูอาขึ้นจแม่นโตนั่นแ้่สูวตักูกระว่าขึ้มึงเลยเพราะว่าอืม น่าลอกลอกมันจากน้อยน่าเฮาเพาะว่าลอกไปเค่ที่ซบจองพองรู้เดี๋ยวกลัลกบ่าว่าจะถือตัวหนึ่งให้ล้านบาทแล้วจ้ถึอตัวหนึ่งใส่เต็มแผ่นฝาแผ่นดินไม่สัน่นก็ น, น้องเลือด ก, กันแม้ในมือนี้เนี่ยบอกท่านอรรถว่าหมวกขล่าสารีบุตรก็ลอามึงรูก็พูดที่เจา้าพระองค์กับส่วนพระหมวกขล่าสารีบุตรมึงรู้มวกขล่าสารีบุตรเนี่ย ม น, นี่ห้าม่าเ่นเอากีวนกันเอาบาทกันสันทั้งนึงก็ไม่ได้ไปบิานาบาทเนี่ยเล่ามึงระบอกเห็นสันพระพุทธเจ้าเขาจะเขารบถ้ำบ่ได้สงสัยว่าถ้ำอยู่เหนือเจ้าของบ่ได้สงสัยว่าโตเจ้าของอยู่เหนือถำสงสัยไ่ได้สงสัยบ่ได้สงสัยว่าอบายมุกมันเป็นเครื่องเจริญ ม่เป็นแค่คบไว้ตรงโต๊ะแล้วสิการเว้นมันมันมันกับนักใจเลยขันธงสายมันสีดีแล้วสิกับนักใจแล้วเสียดายมันขึ้นเอาล่แล้วบวนิ่มแล้วขงสายมันสีดีเพชรเสียดายเอาขึ้นมาใส่ปากทวาอุจรหมือนท้ายออกแล้วพชรเสียดายเอาขึ้นมาใส่ทวานนักทวาเบาอยอันเดียวก็นหลทีหลังมิจจะกบสืบถมให้มันดี สูงคำสอนพระเจ้าว่ได้สูงคำสอนพเจ้าว่ได้สูงคำสอนพเจ้าว่ได้ระพรเจ้าสูรงป่อยลอยโกดท่านโกดกระซังโกดคำสอนอันเก่าพระพุทเจ้าองค์ใดมากกมาคำสอนอันเก่าเมื่อได้มารบลาภพอเราบอกกันนี่หอกแตงคำสอนไม่ใช้เดินขบวนว่าได้ว่าได้อันนี้เอ๋ยซาปีซีปี แต่กฎหมายเทนงเม น, เ ง, นเงินตังบ่อจักสหลาเสม า, ถ, สนาถนันับ่นยเพราะค่ายวาร้ายเป็นโทษโลกปีนข้ามซ้อนนพระพุทธเจ้าตั้งกฎหมายกดโมกฎพักกฎถวกบ่เอาข้ามซ้อ น, นพระพุทธเจ้าเป็นดิงมันไปมันไปต ร, รอดดอก บอถือว่าไม่บาปไม่ผิดไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เห็นแต่นับถือบุลูกเดียวนี่เสื้สตังไม่ไมให้ทุนจาที่มีทุน น, ท น, นึงไหถผาเพลียวปรได้ศไทยลงอาบกับล่อโรถน้างนึงเหรียญเล็กน้างนึยกเคร่งคนนหรือว่หาหากปีรังหรือว่าซีหาปีรังเหรียญเตลเลขเลรียเตลเลขน้นางหนั่งคนประมาณเครื่องคนเงื่อนหลายล้านนี่ เพี้ยวปัดอดหลอดผ่าว่าได้ไม่ีผ่าทายบ่าได้มีกังเกงทายล่องอาบปัดตัวอารถไปทังใแมงมันต่อพึงพึงไปทำงานใช้เขากับว่าหายคนมีงานคนมีงานถึงหลายล้านฟานนี่เรามาทำรุปทำจุม่มเรอกเถิไ่อยากออแล้วคนงานเขาว่าคอยขันฮะคือเครื่องแต้งตัวหายไปจชงีสเสียงไปจัน บาคนเอามาไว้ไก่บาทเขาว่าเราเขาเลยบ่มมีวีซายังเราก็ะไตายเลยมยังรู้บ้านเลบากหนึ่งกัมาเถียวลูกหลานตัวนี้ละห้างเทียมันยังได้อยูเนี่ยนีปูพ่อันเล็กๆครับหาบมันบัดเบือๆมันยังได้อยู่ในห้างเทียว่าจันกัห้างลังเืียบันไดอย่เนี่ยพ่อจันอันห้างลังเทียหน้าเมื่อเงินไปใส่พ่อจัน หน้ามึงท่องนั่นค่ะมันขายได้ดอกจักคลิปล้านเสมอนี่วะสวนมึงก็ได้ดอกจักหาล้านนะฮะวนบานวันเหินมึงก็ได้ดอกจักสามล้านนะฮะใช้หมดเดี๋ยวนี้วะจนมึงรวยไรแล้ววะกูกุ่จักขี่ตังค์เรื่องมึงด้วยวะมึงจะมาตัวกูวะมึงก็มันลูกเล้านกูที่แล้ววะกูหุ่จักขี่ตังค์เรืองมึงด้ว่วะอมเอามือมาอมใช้ปากเค็ดจะรออยู่นั่นมึมันเถียง เลือดได้เลือขอผูกขาดจองขาดถึงถึ ง, ถงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเมื่อบ่มีประมาณตามตาเถ่าเขาสูพระเนี่ยผ้าผลจากทุกนาวตาทองศารตามความประสงค์อขอ ง, งต น, นทุกเมื่อบ่มีประมาณก็ขาดเทินล่งโหลดล่งทั้งเดียววลล่าด้เบือดรล่องลาวลูกแล้วก็จะต้าผ้าโล้มันจะเป็นเปโตเพ็นเ น, น้าแน่หมอใช่ไน่อยอิทธิทตโตสุราทุตโตนักแรงหญิงนักแรงสุรานักแรงเล่อการพนันเขาคนเชื่อเป็น อย่าข้านทำงานในสาที่ชอบเป็นทางผิดพระพุทธเจ้าสอนเพลงเพลงเพลงบือมีเขาไม่หนึ่งคืนคำสอนจะรับวรตบาตอุปนิสคือลองมือมีเขาไม่หนึ่งคืนจตุสัจทะทันทางประกาศก้องกลางวานอย่าไปมีกลางวันหนึ่งคืนลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยอย่าไปทางนั้นนูเป็นทางชีบหายมาทางนี้พ่อข้ามมาฝังฝังนี้แล้วใครๆกับวางกันล่ะพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงพระมหาเมตตากรุณาจึงได้สัางบารมีมาหระจขณรัตถ์ทนาทนายทนายภาษาอบายจมุข <cells> ข <confer dles> ้าวะว่าได้จะได้ให้จะไปสวรรค์ผ่านได้ประทศไกลละไกลกรยืดนคือเกินไกลคือมาที่ยื่ปลาย่างยื้ยสูงไปวอันเดียวกันเนี่ยนั่นไกลชนอสองจิงนับมือเจ้นาผักไกลกระดดเข้ามือกูบ่เห็นโราโบราณเจ็บปวดสิด้ แก้วแท้ๆถ้ามาเกิดเป็นหินหินสีน้าถ้ามาเกิดแพร่งพันแก้วสันเนว่าค้ญญาอนพระพุทธเจ้าคืว่าเทียบได้กี่หินบ่บัดเอาอันอืดมากมันจะเกิดแพ่งพันแก้วยังไหนนั่นสุนักระตังสมังคลัง เวลาพวกเธอทำดีในเวลาไหนเวลานั้นแหละจะเป็นเลิกดียามดีของเธอทั้งหลายพระพุทธเจ้านะไงเพราะว่าใกล้สีตายก็ไปไกลพี่นาแต่สวัสดีพี่ใหม่อีกใกล้สีตายเขานัน วันจมวันผู้วันอุกกาบาทวัดล่นโลกกาวินาศพระภาวะศาสนาภาพเป็นคว่าวันจมสั่ผู้เขาเป็นเศรษฐีเขาไปเห็นจมน่ําำว่าวันวันจมไมสั่เกษตรก็ไปถือคือเบื้องขอทานคือกับบาดขอกินลำบาวิตว่านั้นมากจะเป็นสวยตาแหน่งมันเศรษฐีล้บอกเห็นว่าวันจมพระนันกลมาเป็นพุทชนทันเำบาพ้นจากว่านั่นไปจะคอยขืนตำแหน่งแล้วบอกถือพิษทั้งนั้นของมีย นั่นวันจมวันฟูวันอุกาบาทวันโลกาวินาศนั่นสิแล้วพุทธเจ้าว่าอ้เว้นเดีมันเมีนมดพอเกิดมากชาติที่วิศขาโรดชาติมันเป็นทุกข์นอ่นเกิดมาเป็นทุกข์โรดขันขันว่าเป็นทุกข์เกิดมาเสียหายเที่ยงสมุยเยิ้มมากได้สองคนเขาว่เป็นทุกข์มากเกิดมาเขรว่ยแต่หัวเออเออเออมากมาท่านบอเปเทียงไดบ่ ก็ตกปกออกจากช่องแม่เลยก็แกรตะแกรงแกหลุดนี่นั่นพระมาสาตีพิทุกขาชนะนพิทุกขาสักวัก่อนเท่าคงจก่งคเก่งนี่ต่ปีกับวัดดังทีละขั้ ง, งาถถากับบมวล <laughs> รอบเจ็ดที่แปดทิมารอยมากเท่ากตายว่าเท่ากตายนั่นพระพุทธเจ้าว่ะมันไม่แน่าผิดไสมันบ่มีเนี่ย ร่างกายสังขันของเห่านี่หนังหุ่มอยู่หลายรอบเนี่ยมิจตของเปรย์ของเนาได้หุ่มยังไงเหรอไมน่นะของของน้อยหอมคือให้เป๊กนี่ยใหไปเทีย่ยงเทียงไหนบ่นั่นมิจตเนี่ยมันแมนเหมือนตัวพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าพิ่ไม่ซานไปไป เห็นน้ามไซค อ, อกคุณกลางเพื่อนเราพายชนะโสดเียงถางหนอกทางน่งนเป็นบบเดืองเียงจะปากบัง ข, งข้งคอปากากระทออแสนประวัิบร่ษบรุษคือเพืนเราออดีถ้าพนอกทางใ น, ในใจเ่าเป็นธรรมน้ามไซสกลางคุณค อ, อก คุขคนพูดเอาว่าเป็นท่ำพูดเอาว่าพายละสนอโนสโดจคิดใจเป็นท่ำอยู่คนละขอกกระไซกลางกระไซ่ำพูดกับพาะคิดใจกัเป็น่ขอกกั บ, บกระไกลางกับกระไซคามาพึดควพูดกับว่าเหมาะสมนะทัากกลางกับว่าเป็นท่ำนะเราคุยเจาข้าคนไ ง, ไง่ายๆเมื่วน้อยไปกินน่ เม่เท่าไปกินน้น้ำงูนุมมันแน่าันเป็นเงไ้อหน่อยคนเชื่อพระยาเ่ากัีน่นาคตนั่พระพุทธเจ้าใช่ผู้หนึ่งหนึ่งเทาซุกคืงหนึ่งบซึกคนึาสันฝนสิบตกวัวตัวเมืองกีน่นาคตรวัวตัเจ้านั่นัพุทธาเทนั้นนั่งใชผู้นึงี้ศพขามน้ำมาัน เขาเป็นเหม็นนพ้องถึงว่าสั่งทั้งเ น, น่าแล้วคืน อ, อืดแล้วสั่งคนจะพี่หน้าอาุพะแล้วเขาจะสมเด็จฝาหน้าค้ามี่อะไรหันเลยสั่นั่ น, นยุผู้เขาคิดจะโกดูเอ้ยมันเป็นทนายเถื่อนจะสา ก, กรกิ่นท่านจำโจทท่านจาเล่ยแสั่ตายไปตกมรรคออกจากมรรคมากขป็นเพลย์ยืนำนั่นนั่นนั่นพระพุทธเอจอก เราเห็นเทรดเยอะน่รอยคู่เขาคิดจะโกดมุเงี้ยเอาเยสาดสองโงดกวสัอึได้สารกรอมไปจับตองกายหญิงไปจับนุ่มเขาอยู่ในวัดก็สัเราคุยเจาะตายออกจากหเป็นเทรดก็นแต่ต๊มัละหกหรืมาเป็นเทร เพ็ดตัวนึงพอพายฝังกูหัวมาั่นก่วยไปตรงกวยมากตรงเต็งเตีงนั่นแล้ะมันเป็อนรักใครรักหน้าเขาสั่นสู้คำสาปเจ้าฮข้บ า, า, ามาได้เว้ยพี่นอ้องเงยจะเป็นนทนทางใกล้แก่ ไปแก่ตัวหนึ่งขณะคุ้ยเคียวหาอาหารไปพบพอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากก็พูดเปย์เปยขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังในไว้ในหัวเหรีตามเดิมนี่เจ้าไม่มีประโยชน์อะไรกับเราซื้อแต่ข้าวสุกข้าวสารเมล็ดเดียวก็ไม่ได้มาแล้วก็คุ้ยเคียวไปในแพรงอื่นนี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้ล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้อันนี้คือกันมาพบพระพุทธศาสนาหรือว่า สูรัติเที่ยวอะไรนะบอกว่าเน่ยว่าแรีวครับคุยเคลียร์ไปไปในแปลงเงินอื่นนนั่นั่งจินเป็นระยะระยะมันบ่เมามันบ่ชิบหายหรอกเราเพราะว่าจินเป็นระยะมันกเสียเป็นระยะอนี่มันก็เมาเป็นระยะมันชิบหายเป็นระยะเสียเงินเป็นระยะนี่เกิดโรคเป็นระยะต้องที่เตียนเป็นระยะอนี่บริจักอายเป็นระยะนี่นั่งนั่งนั่งแรงเข้าค้างตัว พระุ่ทธศาสนาเป็นธรรมาทิปบตไต้ด้วยว่เป็นอัตตาทิปบตไต้ว่เป็นโลกาทิปไตยเมื่อะนวันที่หายทอดนนวันยะถาวานิวาฮาโพลาปพิโพเดนติสาคังเอวเมวายตัวที่น่งเปยาตนางพระกับทีที่ตังมุจิตังทุมหังทิปบตเมวายธรมิชะตัวที่นางเปย์เดนตัวทางกับปาจันโทพนัสโสยะถาวนิโชติเลโชยะถาสภิฏโยวาจันตุสาวะตุโคตุโยตุโกวินั สัตวมาเพวตตวันตรายโยสีติายโกพบวะอภิวาทนีลินิจังมุตาปชายโนจตโรธรมมวัานติอายุกนสุขังปะตังอทติว้าไลเก็บหัวใจขึ้นนะเก็บหัวใจขึ้นนะว้าไล่เออเก็บหัวใจขึ้นนะออกไปนอกไม่ได้เรว่าตอนเช้านั้นได้อยู่ ตอนสายมาหน้าเออกไม่ไหวเราเข้าไปจึงออกมี่โรคไม่โรคหลายอย่างไม่โรคหัวใจด้วยแล้วก็มีโรคสมองดีกันเนิ้ด้วยมีโรคอื่นอีกมากมายแต่ก็พอประทางประทางอยู่แต่ว่าบ้านยาอะไรคกามีอยู่มากในที่พูดมากในที่พูดนี่มัน ห, หมายความว่าว่านยาไม่มีการรักษาไม่มีรักษาอยู่ น้องพยาบาลชี้นัเรียนมารักษาอยู่ยาที่แก้ฉันไม่อดแต่ไม่ถูกมันมันไม่ทุเราเพราะมันแก่แล้หรอกไม่รับยาเหมือนเทน้ารถหัวต่อมไม่ได้รับยามันแก่แล้หรอกจะนี่พระนครหลวงเราสงบแล้วหรือยัง เอออืมสาธุสาธุาธอืมนั่นแหะตัวบุญเป็นยังไงตัวบุญก็คือในหลวงอันเองนะ่คนอื่นพูดเก็ไม่หยุดนะท่านไปพูดสองสามคำท่านั่นใช่ไหมนะ่นตัวบุญมันเป็นยังไงก็ตัวอย่างนั้นแ่ะตัวบุญ <c oughs> ทีนี้ที่ชำรถทักพัง ก็ส่งแซมกันอยู่มากไหมประมาณ5้าล้านไหมมากหลาล้านมันคงเป็นมือที่สามหรือที่สี่นะแล้วก็ไม่รู้ได้นะ เราไม่รู้ได้หรออืมน่าร้ายเขาศาสนาพุทธตัดสินด้วยอาวุธนลารายเขาทาเป็นโกกรกบาลคู่ครองโลกสองอย่างน่าร้ายต่อบาปากลัวต่อบาปเท่านั้นคู่ครองโลกได้กฎหมายพระพุทธศาสนามีสองข้อใดญ่ควบคุ่มหมู่ นอกจากนก็บัญญัไปเป็นระยะระยะระยะไปกฎสองข้อในควบคุมกฎหมายทั้งหลายกฎทำทั้งหลายเขาละอายต่อบาปกลัวตะบาปเท่านั้นจะคุ้ครองโลกได้ทําเป็นโรกบาลคุ้มครองโลกไม่ได้ว่าคุ้มครองประเทศคุ้มครองโลกเลยนั่นเขาละอายต่อบาปกลัวต่บาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้เมื่อควรเหี่มล่าพระพุทธศาสนาสัทธาเทวนุสานัง เป็นผู้สอนของเทวดาทั้งนัษษษษษษ้ทั้งหลายพระอุเชศันต์นี่อยู่ทุกทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่เคยหยุดกระชั้นผู้รู้แล้วไม่รู้ทำอันนี้จริงหรือไม่มีกรมอะคือกรรมละผลของกรรมมีอยู่ถ้ากรรมละผลของกรรมมีเราก็ไม่ยอมเชื่อพระอุเชศันานเหมือนกันนั่นนักรรมละผลของกรรมเมื่อเรื่องชาติวันนะ้จะ ถ, ถือถือรับทิ่ใดก็ตามศาสตร์เท่านใดก็ตามกรรมละผลของกรรมก็ตามติดเดียว มืนนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ํำขึ้นบกตกไหนก็ไปตีใจด้วยผลใจผลของกรรมและผลของใจประมาณอเดียวกันเมื่อผลของใจใจมีก็ผลของกรรมก็มีเหมือนกันกรรมก็คือมโนกรรมเป็นต้นท้าเหตุของกรรมทั้งหลายที่เป็นนายหน้าที่เป็นนายกของกรรมทั้งหลาย่อจีกรรมมโนกรรมเป็นเมืองขึ้นของวิจีกรรมกายกรรมเมื่อจิกรรมเป็นเมืองขึ้นของมโนกรรมนะกหนักนักนัก สร้าผลลงแล้วสร้างเหตุลงแล้วผลมัต้องผสมค์ก็ได้รับตามส่วนคนฆ่าของเหตุแต่ไปในทางดีทางชั่วเขาเช่นกันนั่นเธอจะรู้ตัวในรู้ตัวค็จะเป็นปัญหาเหตุแท้จึงยอมรับนับเือพุทธศาสนาเนี่ยไม่กล้ากายด้วยนะเอาซักหนึ่งคือทุกทุกพระไม่เข้าพระเจ้าไม่นบหน่ะ นุกาเกงครอบชี้ไก่แล้วมันก็มาตีพระเดินไปมันก็มาตีตีนุ่งกางเก ง, งกางเกงขายาวครอบชี้ไก่แล้วพระมันก็มาตีกับคนพวกนี้ถ้ามองดูหน้านนลับตาทบ้าเนี่ยไม่ไม่สารวมมันดูเนี่ยเนี เป็นกรรมที่ประมาทพระพุทธศาสนาที่เอาคําสอนชาวโลกไปแข่งดีกับพระพุทธศาสนาเพราะถือเอาพระพุทธศาสนาด้อยต่อการกว่าคําสอนของคนแล้วก็เลยประมาทพระพุทธศาสนาเรื่องบิดเบือนกับพระพุทธศาสนาเองไม่ใช่อย่างอื่นเรื่องนี้พระพุทธศาสนาใจเรื่องบ็ดเบือนกับพระพุทธศาสนาเองไม่ใช่ออนอื่น นั้นเสียงไปมานางงามจักรวาลของพระบรมศาสีคาคือพระอานาหารพระโสดาบันพระอานาหารพระนาคานพระสกทาคันพระโสดาบันนางงามของพระพุทธศาสนานางงามหรือชายงามของพวกเรานี่ยนน้อยห่มน้อยเนี่เอามาบูชาพระพุทธศาสนาด้วย ไม่น่าจะเกิดขึน้นในประเทศเราถ้าจะทํำก็ทำในประเทศอื่นจ้าดีกว่าไม่น่าจะเอามาบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์งในประเทศเราไอ้พวกนี้น่ามันเปลี่ยนฝ่ายทำศรัทธาสัมมาสัมพุทธะมากชุดสี่ชุดห้าปีอาลูกไปขายเอาลูกไปขายเอาเงินมา เ, เาลี้ยงชีวิตเอาลูกฝญิงก็ขายนะ มันก็เป็นชื่อจิษย์ชื่อเดศส่งเสริมเกศสมัยส่งเสริมกเกตสรณงคัจจามิราคะสรณะคัจจาวิโทสะสรณะคัจจาวิโมหะสรณะคัจจามิราคะโทสะโมหะมันขึ้นสีคอควันช่างควันมากขึ้นสีคอเวลากระโดดลงก็มีอันนี้ราคะโทสะโมหะขึ้นสีคอจิตคอยใจแล้วไม่มีวันลงเลยเพราะเหตุใดเพราะไม่มีอาวุธพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจ มามาพูดน้อยฟอยอธิบายพูดไห้ก็งวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกาวกโวกโวกาวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวตโวกโวกโวกโวกงปกโวิโวกโวกโวกโวกโวกโวกโเกโวกมวัตวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโปกโกโวโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโวกโตกโวกโวกโวกโวโวโวกโวกโววกโวกโวกโวกโวกโวกกโวกโก วะอภิวาทนาสีลิสาณิจังวุธาปิจารยโรจารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุ ข, ขงังพระรังเพ้าไม่ใช่ใหรนะครัวเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ ยกวัาหรเข็มเทศจะมีกี่ท้านลาดก็เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอน ใ, นใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียบในทางสูงเทียบในทางลึกซึ่งเพื่อให้คหํานึงได้หลายทางนาห้วยน้องครองเมืองบางต่างๆ ไร้ลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคาสอนใดๆก็ไร้ลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกบางท่านกล่าวว่าเราจะปกครองกันแบบไห น, นก็พระสมัยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ยืนยันแล้วว่า ทำเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ชิ้นห้าจะตั้งอยู่ได้กัิยาณธรรมห้าจะตั้งอยู่ได้จะทำมาหาลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบก็เพราะมีความยางอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปถ้าไม่ไม่มีความกลัวต่อบาปไม่มีความละอายต่อบาปแล้ว กฏหมายกฏหมู่ก็พักกพวก่า ก, ก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทาไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งปิงเองอาสัยทําความช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับกรรมและผลของกรรมไม่โอนเอียงเข้ากับรัฐที่ใดใดทั้งสิน้นรับที่ใดในใจโลกธาตุก็อยู่ใต้อํานาจกรรมและผลของกรรมทั้งนั้น ถึงแม้คดีดำคดีแดงในโรงในศาลจะสกระเสียนจะจบกระเสียนจับเพียงในข้อตามกและผลของกรรมที่ทําดีทําชั่วตามส่วนคนฆ่าของเหตุก็ไม่จบกระเสียนก็ให้ผลอยู่อย่างนั้นตามเท่าเข้าสูงคนนี้ผ่านน้าห้วยน้องกองมืองบางต่างไรลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไรลงสู่คําสอนพผู้ศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ทเที่ยมีทางลึกซึ่งทเที่ยวในทางสู ง, งกว่าทางเก่าวมาแล้วนั่นเองต้นไม้กดหมูกดพนทักก้พวกเมื่อตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนของพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเราจะเห็นได้ย้าพว ก, ท, ว ก, ก, กวไไวที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปนั่นเองก็แต่กระเจิงกันแล้วไปไม่ไหวที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาป พระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาเิปไตยอัตตาเิปไตยก็ดี ป, ประชาเิปไตยก็ดีก็เป็นเมืองขึ้นธรรมมาธิปไตยถ้าจะเอาประชาธิปไตยเป็นใหญ่ถ้าประชาชนทั้งหลายตัวตั้งใจโลกธานี่ือว่าไม่มีบุญไม่บาปทั้งหมดเราจะไปด้วยไหมเราก็ไม่ไปด้วยเพราะมันไม่ถูกธรรมมันก็ต้องไม่พ้นธรรมมาเิปไต่นั่นเองนะัะหมูมากลากไปจะลากไปทางดีมันก็ถูกลากไปทางชั่วมันก็ไปใหญ่ตกเหวตายหมด เห็นได้ย้าพวกที่ถือว่าไม่ไม่บุญไม่มีบาปนั่นเองก็แต่กระเจิงกันแล้วไปไม่ไหวที่ถือว่าไม่ไม่บุญไม่ไ ม, ไมีบาปพระพุทธศาสนาเป็นธรรมมาธิปไตยอัตตาธิปไตยก็เลยประชาธิปไตยก็เลยก็เป็นเมืองขึ้นธรรมมาธิปไตยถ้าจะเอาประชาธิปไตยเป็นใหญ่ถ้าประชาชนทั้งหลายตัวทั้งใจโลกธาตถือว่าไม่มีบุญไมีบาปทั้งหมดเราจะไปด้วยไหมเราก็ไม่ไปด้วย เพราะมันไม่ถูกทำมันก็ต้องไม่พ้นธรรมะจุิปไตยนั่นเองนะหมูมากลากไปจะลากไปทางดีมันก็ถูกลากไปทางชั่วมันก็ไปใหญ่ตกเหวตายหมดเะนั้นจึงมีทาเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตวงมีเป็นแววนเป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดพระพุทธศาสนาองค์ไหนก็มาคำสอนมีคำสอนอันเดียวกันจะมากี่ร้อยโกรธก็ตามอนเนกะสะตะโกตยาตะโย พระพุทเจ้ามากกว่าราโกดกก็มีำคาคําสอนอันเดียวกันไม่ได้มาคัดค้องกันเลยไม่ได้มาอวดพรบกันเลยพระราช บ, บัญญัติอันเดียวกันหมดความละอายต่ำบาปความกลัวต่ำบาปเท่านั้นเป็นทรัพย์ภายในด้วยเป็นที่พึ่งของตนด้วยเป็นนาฏกัลณะทำทำที่พึ่งของตนอีก ด, ด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นที่เบียดเบียนตนอยู่ตะพึดตะพื้โดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วยเวลาเราอยู่ประจำวัน <c oughs> เราก็ต้องอาบน้ำทูสบู่ร่างกายจึงพอประทังประชังได้จึงบรรเทาความทะประปกโสมมุมไป ท่านใดก็ดีคิดใจก็ดีต้องมีธรรมะของพุทธศาสตร์นะจึงจะไม่สกรปรกมากทาให้อย่างนั้นแล้วก็สกปกใจไม่เป็นที่พึ่งของใจจะให้อันไหนมเป็นที่พึ่งเพื่อพึ่งของใจด้วยใจไม่เป็นเครื่องอบอุ่นของใจก็ไม่มีอันไหนจะเป็นเครื่องอบอุ่นของใจใจเป็นหนายหน้า ของโรกตาโลกหูโลกจมูกโรคลิ้นโลกกายตาหูจมูกเล่้นกายเป็นโรกแต่ละอย่างละอย่างตาเป็นผู้พกครองเป็นผู้ดูแ ล, ล, ล<อ>ใจเป็นผู้ดูแลตาหูจมูกลิ้นกายมาให้พาไปทำโทษสิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดูสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฟังสิ่งที่ไหนไม่เป็นประโยชน์ ก็ไม่ดงกิง่นก็ไม่รไดมรถก็ไม่ต้องผหดจะเขก็ไม่ต้องนึกไปในทางทำมาร ม, รมใจมีขอบเขตใจที่พระพุทธศาสนาก็คือใจที่มีขอบเขตทําดีแล้วไม่ต้องต้อนเข้าคอกยากเหมือนโคแล้วกระเบื้องก็ต้องมาเข้าคอกไก่นั่นเองเพราะใจเป็นผู้ทำทำด่วยแล้วก็ไม่ต้องเข้าคอกไล่เข้าคอกยากเหมือนโคแล้วกระเบื้อง ก็มาคือคือมหาข้อไก่นั่นเองใจจะปฏิเสธไปไหนใจก็ปฏิเสธไม่อยู่ใจเอ๋ยอเธอทําประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านหรือไม่ถ้าใจไม่ได้ทําประโยชน์ตนไปทําประโยชน์ท่านใจจะโกหกพกลมใจใจก็โกหกไม่ได้ใจเอ๋ยเธอไปมีเมตตากรุณาไหมหรือเธอมีพยาบาทวิตรกหิงสาวิตรกอยู่เดียวนี้แกมีพยาบาทวิตรมีหินมีมีหิงสาวิตรกความเบียดเบียนอยู่ ใจจะโกหกใจก็โกหกไม่ลงนั่นนั่นในใจโลกาธานไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจใจเป็นผู้รู้เราพิเสษให้ใครไม่ได้ใจตอนใดนใจที่หลงทรรมผลของความหลงก็มาหาใจใจที่ทำโดยโดยรู้ตัวผลของใจก็มาโดยรู้ตัวใจตามที่ทำโดยไม่รู้ตัวผลของใจก็นำมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน ใจสงสัยผลของใจก็จงต้องสงสัยใจรู้ตอนไหนผลใจก็รู้ตอนนั้นเหตุฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะมนุษย์เต็มภูมิเทวดาเต็มภูมิพรหมเต็มภูมิสุภติปโนชุยายะสามีจะเว้นไม่ได้เหตุฉะนั้นความรุงมรราทิฏฐาจึงเขารับรมสักธัมโมคารุกาสัมโบ ควรเคารพพระสักด์ธรรมพระสักดธรรมนั้นทรงอยู่ที่ไหนถ้าใจมีธรรมก็ทรงอยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีธรรมก็ไม่ได้ทรงธรรมทรงแต่อกุศลธรรมทรงแต่ธรรมอันเดือดร้อนไม่ได้ทรงธรรมอันเป็นที่พึ่งของตนและผู้อื่นนั่งน่งนัาณาัติบาตมีประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตนก็มีประโยชน์ไม่เป็นเวรเป็นไัยกับมัน มันก็ไม่ได้เล่าแรงเราว่าจะฆ่ามันนั่นนั่น น, นันน่นอธิ น, นาทานก็เหมือนกันเราไม่ไปรักของเขาเขาก็ไม่ได้เล่าแรงเขาเราก็ไม่ได้เป็นเวรเป็นภัยในส่วนนี้นั่นประโยชน์ตนวและประโยชน์ผ no, ู no, ้อื่นมันมีอยู่ในตัวการเมืองสมิชาจาร์ก็เหมือนกันเขาก็ไม่ไเสียประโยชน์กับเราเราก็ไม่ได้เป็นเวรเป็นภัยกับเขานั่นนันนนในประโยชน์ทั้งสองทาง บันทิตโตขระมาวะสังบันทิพเป็นผู้ครองเลือนบันทิพเป็นผู้ครองเลือนคือคนประเภทใดนะครัผู้มีศิลหะบริบูรณ์ผู้มีเมตตากรุณามันประกอบกับตัวปานาติบาสกับตัวอาทินาทานกับตัวกามเมสุมิตตาจารย์กับตัวมุสากับตัวสุราพร้อมกันหมด คนดีคนดีทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ายากความชั่วคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายนั่นนั่นนั่นโลกทิพย์ใจทิพย์ทำทิพย์เมื่อแรงวันมันก็บอกว่ามันเป็นโลคทิพย์มันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยมันมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมัน ไม่แรงพึ่งมันก็บอกเหมือนกันมันก็บอกว่าประชาธนปไตยของมันมันก็บอกว่าสังคมนิยมของมันมันก็บอกว่าชาวโลกเขาพาเป็นทีนี้เราจะเอาอันไหนเราก็มีอิสระที่จะเลือกได้นั่นนนนเรามีอิสระแล้วเดี๋ยวนี้อิสระอยู่ในเราแล้วคนเราวันใจถึงทุกคนนั่นเองไถึงทางทําชั่วมันก็ได้รับผลชั่วจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไหมเป็นปัญหานั่น เมื่อเหตุสร้างลงแล้วผลก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุคือใจเป็นผู้เจ้าของเหตุเป็นมหาเหตุใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาจาะเป็นพิเศษให้คนอื่นสักเพียงใดก็ไม่เป็นปัญหาคําว่าสันทิษทิโกในทางพระพุทธศาสนาสันทิษทิโกเป็นผู้เห็นเองเป็นผู้รู้เองก็จริงพวกที่เขาทําผิดเขาก็รู้ว่าเขาทําผิดอยู่ เขาก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกันพราที่ทำถูกเขาก็รู้ว่าเขาทําถูกอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกันสันทิิโกสันทิฏฐิโก้สองจำพวกนี้อันไหนมีคุณค่ากว่ากันนั่นสันทิฏฐิโกอันไหนที่มีขอบเขตปัจจตังอันไหนมีขอบเขตสันทิฏฐิโกลงโอปัจจตังรู้เฉพาะตนข้นเฉพาะใจเห็นแบบในเฉพาะใจเป็นวันยังวันรัง ก็คือนับเอาแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปถ้านับตำกว่านั้นลงมามันก็ฟันเฟือเช่นโจรผู้ไร้เขาก็รู้ว่าเขาเป็นโจรผู้ไร้อยู่จะจัดเป็นสันทิฏฐิโกเตรมภูมิของพุทธศาสนาไม่ได้คําว่าสันทิฏฐิโกในทางพุทธศาสนาไม่เอาสุปฏิปันโนเป็นต้นไปคือพระโสดาบัรพระโวนาบันจะภาวนาหรือไม่ภาวนาก็ตาม แต่มันก็เป็นภาวนาอยู่ในตัวท่านไม่เสียดายล่วงละเมิดจิ้นห้านั่หนั น, นท่านไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายมุขนั่นนั่นนั่นท่านไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นท่านไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีท่านไม่ไปกาวตูเลิกยามวันเวลาถ้าทำดีท่านก็ให้คะแนนท่าน ตอนไหนทําทําดีตอนไหนท่านทําชั่วท่านก็ไม่ให้คะแนนท่านนนัเรียกว่าท่านไม่ถือเลิกถือยามถือนักกระตังสืังกระลงังเวลาทําดีตอนไหนตอนนั้นก็เป็นเลิกดียามดีของผู้ทํานั่นไม่ถือการอยู่ยงคงกระพันอีกไม่ถือเวทมนตรขาถาอีก ไม่เสกเสกเป่าเป่าอีกนั่นภูมิปัตตุวะวันเพาะข้ามทะเลหลงตอนต้นไปแล้วเอายาเอายามาอมย า, ามาอมเอราโลกข้าใจมันเกิด หลวูเป็นหกูเป็นโลกร้ายอย่างหมกรุงเทพก็ตามก็ต้องมาในวันนั้นไม่ยอมนอนข้างคืนในโรงพยาบาลเพราะจะมาทานไอยแล้วมันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ได้หวังไว้จะทำให้กระทบกระเทือนโลก อ, อันไหนก็ไม่เป็นปัญหาใครจะภาวนาเมตตาก็ไม่เป็นปัญหาภาวนาเมตตาจนลงถึงอนัตตาธรรมก็ได้โยนิสีทุกท่านหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกหน้าถือสุขในพุทธธรรมสงฆ์ก็สุขในพระสวดาวันนั่นเองสุขในสักทาคาเมียนาคามียอาหารหันนั่นเองคือสุขในพุทธธรรมสงฆ์สุขต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกี ทีนี่ด้านสมถะใครจะเข้าสมถะอันไหนก็ไม่เป็นปัญหาด้านนิพพานาปัญญารวมที่แห่งเดียวเมื่อเห็นอนิจจังคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกจะไม่ด้วยอนิจจังเมื่อเห็นทุกข์ในคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วพราโลกจะไม่ด้วยทุกข์เมื่อเห็นอนัตตาคณะคิดเดียวก็เห็นโลกรอบแล้วเพระโลกตกเป็นไปด้วยอนัตตา ทีนี้เมื่อโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอดีตทั้งนาคตทธั้งปัจจุบันแล้วความทะเยอทยานในโลกทั้งปวงก็เบาลงสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่จักามาพจราหกขั้นพรหมโลกได้แก่รูปพรหมเจ็ดขั้นและรูปพรหมสี่ชั้นรวมลงมาในเป็นสังขารโลกสังขารลาปัมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่ง เมื่อเห็นสังขารเั็นบบทุกอย่างยิ่งก็เห็นโลกรอบโลกแล้วทุกๆุกโลกลงรวมลงมาในสังขารโลกสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองอปาทินากาสังขารสังขารที่มีใจคลองอนุปาทินกาสังขารสังขารที่ไม่มีใจกลองสังขารทั้งสองนี่เกิดขึ้นแล้วพอแป ร, แรปวนนี่แตกสลายเมื่อเห็นโลกชัดแล้วความยินดีในโลกทั้งปวงก็เบาลงนั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสมาธินั่นคือตัวปัญญาในขั้นสูงรวมพลกันอยู่ในปัจจุบันนั่น ผู้ใดต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติเพื่อนั้นต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอ น, นัตตาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีประตูที่จะเมื่อหน่ายเมื่อใดความหลงของตนเลย มีแต่จะหอบมีแต่จะเหมาเอาโลกไม่มีนนการปล่อยวางผู้พิจารณาอนิจจังทุกครังอนัตตามันปล่อยวางอยู่ในตัวไม่ได้ ท, ทําท่าทําทางปล่อยวางอีกนั่นให้กับเราลืมตาเข้ามันปล่อยวางเมื่ออยู่ในตัวไม่ทําท่าทําทางให้ปล่อยวางนั่นน่นผู้เดินทางรักปฏิบัติมานาน ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มากพร้อมกาลมหายใจเข้าออกเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่ า, เ, วาเห็นเพราะจะทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ในตัวนักนักนักถ้าพระพุทธศาสนายังอยู่ยังยุ่ยุงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย ถ้าพระพุทธศาสนาพินาศลงชาวพุทธจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนอดมวยสุดสิ้นะกูลพุทธใครรานใครรุกกล้าวชาวพุทธกรรมของผูนั้นจะไม่บริสุทธิ์ตลอดกาลนานบานปลายในทางเสื่อมนะถ้าอารัญญะวาสียังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยถ้าอารัญญวาสีพินาศลง ธรรมะวาสีจะอยู่ได้เลยเราก็เหมือนมอดม้อยสุดสิ้นสกุลพุทธพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับป่าอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าตััสรู้ที่ป่าตำบนพุทธกยาเกิดที่ตำบนอุลเวลาเสนานิคม แสดงธรรมจักป่าอิสีพัฒนามิสทายวันตทรงอายุสังขารเวรวันป่าสวนไม้ไผ่ปริริเนานที่ป่านางรังทิศตวันออกเมืองกุสีนาราถ้าตัดป่าออกแล้วพระพุทธศาสนาจะบริบูรณ์หรือไม่ตอบว่าไม่บริบูรณ์เพราะพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับป่าแทบทุกๆสูตรตลอดถึงพระวินัยก็เกือบแทบทุกๆสิกขาบท ก็ว่าได้พิทสุจําพัรษาในเสเนเสนาสนภาพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชามาแต่ดึกดำบันฉะนั้นจึงมีราชาโนราชาโนราชาโนอยู่ทุกคนทุกแห่งนั่นนั่นนั่นข้างพุทธการมีพัฒนาบ้างไหม วัตถุนิยมขั้งพุทธการพัฒนาไหมข้างพุทธกา ร, าา ก, ารก็พัฒนาอยู่ไปพร้อมกันกับทั้งอุดมคติเช่นป่าเชตตะวันมหาวิหารอนาถาปินธิกเกษตรฐีสร้างกระเป๋าเดียวสี่สิบห้าโกดนะ1ิโกดจึงเป็นล้านอาะ0ิไปคูณสี่ิบห้าดูดูชิ5ห้าห้าสิบชิสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้า ที่รอยห้าสิบล้านกระเป๋าเดียวเอาุภูผาลามที่นางวิสาขาสร้างสวรรกระเป๋าเดียวยี่สิบเก้าโกดไม่ได้แผ่ไม่ได้เรียไม่ได้ไรไม่ได้ขอใครเลยไม่ได้มีพุทธาพิสุสงพิเศษอะไรกับใครกระเป๋าเดียวล้านนี่และนางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันอีกด้วยนั่นนั่นนั่นนั่น น้าจะประมาทข้างพุทธการไม่ได้ข้างพุทธการเก่งข้างวัตถุนิยมเก่งข้างอุดมคติด้วยอุดมคติก็ถึงพระสวสดาบาลฤทธิบฤทธิเลยข้ะราวา่ามีแต่พระสวัสดิบันทั้งนั้นมาปฏิบัติพระพุทธศาสานาไม่แฉดายอยากค่าขายเครื่องปะหารค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลยเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำมาน่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี่ พระโสดาบันไม่เสียดายอยากจะประกอบเลยสินห้าก็ไม่เสียดายอยากล้นละเมิดไม่เสียดายอยากสาบแช่งท่านผู้ใดมีโกรธอยู่แต่ไม่เสียดายอยาก ส, สาบแช่งนั่นภูมิพระโสดาบันถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็ภูพระโสดาบันเต็มภูมิไม่ต้องให้มีคะแนนเสียงคนมากมาให้คะแนนก็ได้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแหละจะให้คนคะแนนเสียงตั้งไตโรคธาตเนี่ยมันก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้นั่นนะั่นะนะั่ ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเสี้ยนห้ามันทําไมมันจะหนักใจมันก็ไม่หนักใจสิที่มันหนักใจก็เพราะมันเสียดายอยากล่วงละเมิดนะนะนะไม่เสียดายจะอยากจะสาบแช่งท่านผู้อื่นเพราะท่านมีเมตตาประจําใจอยู่แล้วเมื่อท่านไม่สามารถล่วงละเมิดเสี้ยนห้าเสี้ยนห้าไม่ด่าไม่พ้อยไม่บ bon ริบูรณ์เสี้ยด่าเสี้ยนห้าด่าไม่ด่าไม่พ้อยและบ bon ริบูรณ์อยู่แล้ว <Okay. S 2> ท่านก็มีเมตตาอยู่ในตัวมีกรุณาอยู่ในตัวมีพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในตัว มีศีลารณ์นิสติระลึกสินสินของตนอยู่ในตัวมีพุทธธรรมสพุทธานุสติอยู่ในตัวพระไม่ยอมถือศาสนาอื่นน่งนันั่ง น, นั่งจะนั่งตลอดวันตลอดคืนก็เหมือนกันก็ตามเถิดแต่ถ้าเชียร์ได้อยากล่วงละเมิดศิ้นท่อยู่ถ้าอยากเสียดายอยากจะพระพุทธอบายงงอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันถ้าอย่างนั้นพระทั้งหลายก็ต้องเป็นพระโสดาบันหมดสิมันไม่เป็นเพราะสินบรร่ามันพร้อยนั่นมันจะเป็นทำไม นั่นเป็นส่วนมากถ้าศีลไม่ด่างไม่พ้อยมันก็เปลี่ยนศีลห้าถ้าไม่ด่างไม่พ้อยก็เป็นศีลพระโสดาบันศีลแปดถ้าไม่ด่างไม่พ้อยก็เป็ี่ยนศีลพระอนาคามีศีลสองร้อยกิตถ้าไม่ด่างไม่พ้อยก็เป็นศีลพระอรหันต์นั่นนั่นเอวังอรตะเนี้ยชาวิวนาภูราปริปุเรนจีซาตลังเอเวเมวายตูทินนางเพตานางอุปการปฏิปิทังปฏิทังตุมฮังเชพเมวายสันนิจตูเตปูเรนตูตังสปาจันโทปนารโสยธามนีโชติยโสยธา สัพโเยวาจำระสัพโตโสัพพโยสพโลกนัสตุมะเตปวัตวันทารโยสุขีสีคาโยโหอภิวาตนาสีทิสานิจังมทาาายโนยัาโลธรรมาวันฐิายุวณูสุขังหลังเต็มใจโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของวุทธสถสนาหมดถ้าเราสำคัญว่าเป็นของเรามันก็บ้าจริงๆไอ้ที่แท้ก็คือเศษสเลศ เศษกระดาษของพระอริยเจ้าทาั้งหลายที่ท่านเข้าสู่พระ涅槃ไปแล้วนั่นเองแต่เราเพราะเาทั้งหลายก็เปรียบเหมือนหมู่นอนทีนี่มาแย่งกันกิ้งไปกลิ้งมาแต่วัตถุนิยมก็ดีอันในกดก็ดีที่หามาได้นั้นทางที่ชอบก็ดีก็เป็นเศษกระดาษของพระหลังท่านไม่เช่ได้นับ น, บนบในใจโลกะท่านรับภายนอกภายในเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาหมดแล้วเราจะสําคัญว่าเป็นของเรามันก็ไม่ถูก ท่านไม่เอาจะเป็นเรืองขึ้นของท่านทาไมน้ำลายก็เหมือนกันท่านวนวิ่งแล้วเห็นแต่มดจอกันอยู่เราก็บอกว่าน้ำลายพระหังแต่ท่านไม่เสียายจะเอาคืนสชยแล้วนับนันับถูกไหมป้นาเจนนานๆจึงจะได้มาฮะ อ๋ออ่อเน่ยเป็นเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขคนเรามันเป็นคนเมื่ซื่อตรงในเวลาเข้าสังคมซ่อนเล็บไว้เหมือนแมวเหมือนเสือเอาแต่สิ่งที่ดีมาพูดกันไอ้ที่แท้ระวางแผนในข้างหลังนีอยู่ถูกไหมนั่น เวลาเข้าสังคมเอาแต่คำดีมาพูดไอ้ที่แท้แวนแวผนของเราที่จะทําชั่วมันอยู่ในกระเป๋าหลังแล้วถูกไหมเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ละอายตา่อบาปพระะปีนศีลห้าใช่ไหมนะนั่นนี่แหละหลักของมันสำคัญมากคำพูดจะพูดน้ำไหลไฟดับสักเพียงใดก็ตามถ้ายังเสียดายอยาก จะเบียดเบียนท่านผู้อื่นอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอันนั้นมันก็เป็นนยโยบายลวงคนโง่เฉยๆใช่ไหมกฎหมายทุกชนิดมันต้องหมายอยู่ที่ดวงใจไม่ใช่หมายอยู่แต่เพียงกระดาษหน้าเดียวใช่ไหมงัดดาบก็ต้องมีอยู่ที่ดวงใจ ต้องละอายต่อบาปที่ดวงใจบุญก็ต้องสร้างลงที่ดวงใจบุญจะไปอยู่กับตัวหนังสือภายนอกมันก็ไม่ถูกไม่อยู่ในหนังสือไหนบาปก็เหมือนกันความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปจะไปอยู่กับหนังสือภายนอกมันก็ไม่ถูกมันก็ต้องอยู่กับหนังสือใจของใครของมันนั่นเองเอาขมาของพ่กนะ็ <laughs> ใจของใครของมันบาป เกิดเมื่อวานนะฮะแว่นทำไมสายไลน์ได้เยอแล้วหรอคุณสามสิบนะสามสิบไหมยังโอ้มันก็เปลี่ยนหนาตาความปริเป็นเครื่องสันจรของโลกปริข้อใดก็เป็นเครื่องสันจรของโลกกนัน แต่ให้มันอยู่ก็เก๋มันก็ไม่อยู่มันเคริบเล็กนั ก, ก น, น ะ, ะแต่อย่าให้มีตามมาือตกพยาบาทม่อตกหิ้งสาวม่ต ก, วตกความติดไปในทางกรรมพ่อคูนกรรมอารมณ์พ่อคูนโทสะลมพ่อคูนเมอหลมอันนั่งห้ามมันอยากจะเคียบไปทางอื่นนอกจากอันนี้นไม่ห้ามมันต่อยให้มันกินธรรดาคิดใจมันก็ต้องกินไปสนทนุนบุญ ถ้ามันไปคิดแปลงการมาห้ตกคือความติดในทางตามพยาบาที่ตกความปติกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความปติกในทางละเอียดเรือยมันไม่นึกไปอย่างนี้จะปล่อยมันคิดให้มันไปกินอาหารต่อไปนอกจากทางนี้ใชไหมถ้าไปทางอื่นแบบคิดคิดแลหยุดไปเองนี้แล้วก็คิดต่อนีต้องปล่อยอะไความนึกความคิดมันเป็นอนิจจังอนัตติยะเหมือนกันมันก็เกิดดับเป็นละเอียดเหมือนกัน แต่ขอให้มันคิดไปในทางผูนทนบุญกบันองมันเหนื่อยมันดยดเองมเป็นโทษคนไม่นึกไม่คิดก็ไม่มีปัญญาเนอะแต่ว่าการระงับนึกคิดมันก็มีรวมให้แกเข้าออกผูกคอมันมันก็เที่ยวผูกคอมาเช่นนั้นหลวงพี่แจ่มเดสนิทฮะวี่จ่มเขานจะมีสนิท้ายๆก็มันไม่เคลืนไห มันเข้าไปอะไรเงียบเลยนะเข้าไปไม่ไดเงียบเงียบะเหมือนเหมือนกันมันไม่มนมานๆเงานานเราก็ตอนออกมาคยิบหยิบอาบเออเ้จเป็นยังไงครับมันเริ่มถอนแล้วมันเหมืกันทุบหน่ใครไม่อายากทำยังไงะอย่าใจไปดูงช่วยด้วยพิจารณาใจเป็นอารมณ์ว่าใจนี่ก็ตักว่าใจไม่แค่จับจุดคนตัวตนเราเขา เป็นแทงคิดใจมันก็จะมาเหมืนจะสักว่ารู้เป็นจะสักว่าเห็นเป็นจะสักว่านึกเป็นจะสักว่าคิดปต้องตามมันอย่างนั้นเพื่อทําลายมันอยู่ในตัวเป็นจะสักว่ารู้เป็นจะสักว่าเห็นเป็นจะสักว่านึกเป็นจะสักว่าคิดต้องกลังให้จะเขาออกอีกื่อมันคิดแป่งก็ไม่มีทิดแปลงเพราะนั้นเป็นจะสักว่านึกรู้เป็นจะสักว่าเห็นเพราะมันมายืนยันว่าความนคิดเป็นเราเราเป็นความกคิด มันกว็วางอุปทานในใจถ้ามันยืนยันว่ามันเป็นของเราเราเป็นใจใาเป็นเรามันไปยุ่งในใจถ้ามันยืนยันว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันจะยุ่งในเวทนาถ้าเรายืนย no, yep ันว่ากายเป็นเราเราเป็นกายมันก็ยุ่งในกายถ้าย okay. ืนย wow. ันว่าเราเป็นผิดผุดเป็นเราก็ยุ่งในสิดผท้งหถ้ายืนยันว่าอุเบกขาเป็นเราเราเป็นอุเยกขาผิดยุ่งทั้งหมดเพราะมันเม่ปลอยไม่วา มันไม่ทําให้ตายว่างให้ตายว่างคือไม่สําคัญกายว่าเป็นตัวตัวเป็นกายเวทนาไม่สําคัญว่าเวทนาเป็นตัวตัวเป็นเวทนามันก็ว่างเท่านั้นเองนะไม่สําคัญตัวนั้เป็นใจใจเป็นตนมันก็ว่างเท่านั้นใจไม่สําคัญว่าธรรมารมเป็นตัวเป็นธรรมารมมันก็ว่างเท่านั้นองไม่สําคัญว่าตาเป็นตัวตัวเป็นตามันก็ว่างเหทือนันไม่สําคัญว่าหูเป็นตัวตัวเป็นหู มันก็ว่างเหมือนกไม่สําคัญว่าจนเป็นผู้รู้ในปัจจุบันปฏิวัติวันเป็นผู้รู้ในตนมันก็ว่างไปในตัวมันวางไปในตัวของมันเองเพราะรู้เท่าทันมันเช่นเราลืมตาขึ้นอย่างเงี้ยพอมืดมันวางไปในตัวเราไม่ได้บอกว่ามืดเอ๋ยข้าพรเจ้าจะลืมตาเธอไปซักไม่ได้บอกมันมันไปเองมันมันวางเองเราที่เรารู้เท่าตอนไหนตอนนั้นมันวางเองถึงมันจะเกิดดับ อยู่วันแ้ะค่ำก็ต่างเมื่อเราไม่ยึดถือว่าเป็นของเราหรือตัวเราของเราไม่ใช่ยึดเราไม่ยึดถือผู้อื่นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นผู้อื่นผู้ร่นเป็นผู้อื่นผู้อื่นเป็นผู้รู้สิ่งนี้มันก็มันก็ลบกันไปอยู่ในตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันนึกมันคิดมันลบกันไปในตัวนึกขึ้นก็พูดมันก็เป็นอดีตไปมันล่วงไปแล้ว พูดวันยังค่ำก็เป็นอดีตไปวันยังคับนึกวันยังค่ำก็เป็นอดีตไปวันยังครับมันก็ลงไปลงไปเหมือนลมพัดเรานี่ยปี๊ปี๊ปี๊ก็ไปเลยลมพัดไปเนาะลมพัดไปไหนก็คือก่อนนะคิดอย่างนี้เข้าใจนะทีเราจะไปยินเยนเอาเป็นของเราซีเราไปยินเยนเราเป็นของเราทุกตายเราต้องหลบหลบวิธีนี้เพราะเราพี่จ้านายขั้นสูงแล้วสมาธิเราก็ได้ดื่มแล้วใช่ไหมผมผมไม่เข้าใจแต่ครับเพราะมันเป็นอย่างนผมเลยรู้ก็ไม่อยเฉย เพรามันคิดมาได้ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปดูมิ้งเย่เงียครับอ่าน่าจะถูกมันเลยดูมิ้เฉยเป็น่นั้นอือที่เราคิดไปมันคิดไปเลยไม่ตองไปยุงมันใช่ไหมครับคิดตักผิดถูกถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสาติเป็นมงคเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรไปการไม่ตกพยาบาไม่ตกไม่ทิ้งสากคัญอย่าไม่คิดคนนั่นสวยคนนี้สวยอยากได้เป็นเมีย อยากได้เป็นอันนั้นอยากไดเป็นอันนี้อยากไปส่งเสริมมันอันนั้นพยาบาทวิสุทเออมึงก็ว่าให้กูอันนั้นอืมกูจะแก้มึงอย่างนี้กูจะแก้แค่นมึงอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวก็พยาบาทวิสุทธิ์มึหิ้งสายวิสความเดือดเดือดมึงแค่กูไปเอามึงเดือดหนึ่งกูก็จะเอามึงเดือดหนึ่งอันนี้เขามาส่งเสริมมึงถ้าพยาบาทวิสุทธิหิ้งสายวิสุทกรรมวิสุทธิ์ไม่มีพยาบาทวิสุทธิ์ไม่มีหิ้งสายวิสุทธิ่ไม่ มันไม่ไปทางไหนมันก็ไม่มีโทษเหมือโคเหมือนกระบือมันกินหญ้าอยู่ดีๆเราก็ไปถู่คนไปไล่มันไปปุ่มมันมันก็ไม่ได้กินอาหารอะไรเลยธรรมดายกินมันต้องกินอาหารเรนี้ต้องมันตื่นตายของเรากินอาหารเป็นเวลาเช่นอยู่น้าอาหารทานอาหารอย่าต้นนี่ถูกต้องพักษาก็เป็นเรื่องคิตใจนี่ จิตมหาไม่มีกรรมวันคือเราห้ามห้มันนึกคิดก็เป็นเพียงเราเอาไว้ไม่ไม่ไว้เป้าอันเดียวเันไอ้ชี้แต้มันควรนึกคิดอยู่ในเป้าคนเรามันนึกคิดอยู่ทุกข่างแต่แตมันไม่พูดออกเฉยๆหรอกมันพูดอยู่ข้างในแต่มันไม่พูดข้างนอกมันพูดอยู่ข้างในมันเรียกว่ า, วาจีไม่อจีสังขารอยา่าเพิ่คิดพระสังขารเกิดขึ้นดับเกเหมือนกัน ยังเอาหนังเสื้อมาแกะยังต้อหนึ่งสองสามสี่สิอสสิบลสี่สิบมาอ่ชิบเลตูนะ้ีบ้างก็เดี๋ยวีที่่วตอนนี้ รูจิตรู้ทอดาทนอารมณ์มันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามันเกิดเองไม่ปล่อยวางเลยแลก็รู้สึกเราใจเป็นอิสระก็ทุกไม่พ้อทำอะไรเพิ่มเติก็ไม่ทาอะไรเพิ่มเติมแล้วเรียนแต่รู้ให้รู้ทันรู้ทันเวลาจิตรับอารัณ์ตามันจะเกิดขึ้นมาคิดเองปล่อยวาง มันตารางเองมันหมดมันหมดมันหมดกําลังมันมันวางเองเลยจบไปเป็นเรื่องเออมันจบเป็นเรื่องมันเหมือนกับบ้องไฟมันขึ้นกราดอย่างนี้เมื่อเมื่อมันหมดิงกระเสียวมันปล่อยเองมันมันวางมันแตไม่ต้องทำอะไรเพ่เติมไม่รู้กันอย่างนี้รู้ตามไปจริงหรือระวังสุขนี่ติให้ทันเลยอย่าเข้าใจเป็นเรื่องใหม่เรื่องเก่าที่มันเคยเกิดดับแล้วนั่นเองคุณหางนั้น เรื่องเก่าที่มันเคยเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามาให้เราเนี่เองมันจะมาไม่ไหนมึงจะมาไม่ไหนนักมวยก็เป็นไม้เก่ า, าของมึงอันล่ะพ้ดอย่างนั้นขอทางดูมีอะไรเกิดขึ้นมีเท่ยานั้นแหละแล้วก็เพิ่มเติมหรเพราะสอนให้เราพิจารณาเบื่อหน่ายสิงแหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ใต้อํานาจอนิจจังทางนั้นจะเกิดละเอียดละอละสักเพียงไหนก็ตาม นี่นี น, นี่อันนี้จังอะละเอียดเกิดขึ้นจนฉียิบเลยนี่ยังเป็นพืชอันเดียวกันดับเร็วเกิดเร็วแปลพวนเร็วดับเร็วจะเป็นพืชอันเดียวกันยิบใจของเรามันละเอียดไปกว่านี่ถือกตะโกนเห่นท่า น, นพระบรมสาสีาสริกธาตุหลวงตาจริงชักลองสู่อานิจังชักลองสู่อนัตตาละเอียดสักเพียงไหนก็ชักลองสู่อานิจังชักลงสู่อนัตตาไม่ใช่ถาวไม่ใช่บุคคลเพราะเห็นนั้นท่านถึงว่า เป็นแต่ักวารูปเป็นแต่สักว่เห็นแม่ผู้รูกมาก็มาให้ยึดถือว่าเป็นเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัพท์เป็นบุคคลอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ร้องไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังมาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นตามเป็นจริงอย่ายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตท์เป็นบุคคลเถิดนั่มันปล่อยวางเอื้อมมัน เอออันนี้มันเป็นสมาธิในตัวเรียกว่าสุญญตาสมาธิอันนี้อันนี้มิตสมาธิเพราะสมาธิไม่มีมิตอันปนนิฮิตตสมาธิเพราะมันว่างสมาธินี่เป็นสมาธิปัจจบัญญาัย ต, ต้องมันจะรู้อยู่เฉยๆ่ตลอดเวลาอย่้มนไม่พลามนั่งขึ้นนั่งก็ตามนอนก็ตามไม่สำคัญนั่งก็ตามนอนก็ตามแล้วแต่สะดวกมันก็เหมือนกัน ทำก็เหมือนว่าไม่ทำไม่ทำก็เหมือนว่าทำแต่มันไม่ยึดถือใช่แล้วแลาจะต้องทำอะไรมันต้องตีฝ่าองตีแล้วนะโอ้มันก็จบอยู่เพียงแค่นั้นก็ช่างหงอมันซีล้วคงรู้จัดหน้าจากตามันแล้วแล้วก็ไม่เดือดร้อน แล้วก็เบื่อหนายเราไม่หวังจะมาแต่พี่ก็อาจจะมีอะไรที่หลวงปู่จะสอนเพิ่มื่นสัมีทีนี้เราเห็นอย่างนั้นเราเห็นชัดอย่างนเมื่อมีสิ่งที่มาลวงเราเรามีโรคโกรธขึ้นไหมเราไม่มีโรค เกิดขึ้นไหมเราไม่ปวดเกิด ข, ขึ้นไหมเราไม่หลงว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นทัพเป็นบุคคลไหมนี่ต้องปวดเราอีกถ้ า, า, าว่าเราไม่หลงไปในทางนั้นมันก็ใช้ได้ก็รู้ทํำไปเองมเรารู้ทํามันปุ๊บมันมีหยิบแยะแต่ละลู้ทํามันปุ๊บพอเราดูปั๊บมันก็จะหายนัํามันหายไปเองอืมแต่ถ้าไปจ้องมันนิ่งๆจะไม่มีอะไรเกิดจ้อไม่นี่ไม่มีอะไรเกิดเพราะเราเตรียมตัวพราะเราเตรียมตัวอยู่ ที่ถูกเราจะจ้องมันดีหรือเล่าเราเ้าเผือนิดนึง้มัเกิดแล die, ้วดูมันไม่ขานเราอยากจ้องก็ไม่สงสัยเราไม่จ้องก็ไม่สงสัยเราจ้องไปก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามัอนก่เราไม่จ้องก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนก่อนถ้าเราสำคัญมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคนอยู่ในเช่นเรื่องของมันก็มากถ้าเราไม่เร่องสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีอยู่ในเช่น้นเรื่องของเรามันก็ไม่มาก มันก็เปรื่องของสังขารล้วนๆเป็นเรื่องของกายจะสังขาวิจีสังขาจิตตาสังขาล้วนๆจิตตาสังขารเพราะว่าเรามาศาสตาก็ไม่ถือให้เอาไปพระนิพพานด้วยอาศัยพิจารณาให้เป็นเครื่องเบ ik hm <for incomplete, S 1> ื่อนให้เพื่องขอดเคือนออกถอนตนออกไปเลยจิตตาสังขารที่เราลู่ตามเป็นจริงในปัจจุบันมันเป็นห้วนทางเข้าสู่พระนิพพานคือดับเพลินในจิตไม่ได้เพลินยืนยาันใาจิตเป็นตนจนเป็นจิตไม่ได้เพลินยืนยันณผูู้รูเป็นตนจนเป็นผู้รู ไม่ได้เพิ่มยืนยันว่าอดีตเป็นตนตนเป็นอดีตไม่ได้เพิ่มยืนยันว่าอนาคตเป็นตนตนเป็นอนาคตไม่ได้เพิ่มยืนยันว่าปัจจุบันเป็นตนเป็นเป็นเป็นปัจจุบันแต่อาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวตัวปัญญาเอาคาหนังคาเขาเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวประกันแต่เมื่อไปพระเนรพลเขามันเนี่ยเอาปัจจุบันไปด้วยก็ทิ้งมาในโลกเพราะไม่ติดอยู่ในที่ไหนถ้าติดอยู่ในปัจจุบันมันก็จะไปเกิดเป็นธาตุเป็นภพอีกอันละเอียด หนักหนััเพราะปัญญาไปตีส้นเทียมันอยู่นั่นีนสสนเนะ้เวลาเราจ้องไม่มีอะไรเกิดก็เลยไม่มีปัญญาทีนี้พอเราถือปุ๊บมันเกิดปัด๊เรารู้แทนันปั๊นี้มันจะเกิดปัญญาและปล่อยวางเราแล้วให้เกิดปัญญาจนดีกว่าดีกานัา้นวางม่มันเป็นปัญญาทั้งสองเง่อน ระวังเฉะก็เป็นปัญญาอันหนึ่งมันเกิดดับก็เป็นปัญญาอันหนึ่งพรอเราลู่เท่ามัน общем, มันจะไปวิธีไหนเรารู้เท่ามันหมดมันอยู่นิ่งๆเราก็รู้เท่ามันมันออกเราก็รู้เท่ามันอยู่นิ่งๆเราก็ไม่ปฏิเสธว่าอันนิ่งเป็นเราเราเป็นน <ไป S 1> ี่เฉะเฉะก็ใช้ได้ใช่ได้ไม่ใช่ได้เพราะเรารู้มันมันจะพลิยงไปทางไหนเราก็รู้มันมันจะอยู่นิ่งๆเราก็รู้มันมันจะอยู่ยังไงเราก็รู้มันเราไม่ติดอยู่ในมันสักทีหรือเป่า เราเข้าใจว่าถ้เกิเราดูเฉยๆมันไม่เกิดอนุใสต่างๆมนชี่ใจเนี่ยไม่่ไมัน้ากนก็เปลี่ยนตามมานอะัสายว่าแล้ว คนที่เราทำต้องทำเท่าไหร่คนที่เราทำต้องทำเท่าไหร่คนี่เราทำต้ก็ทำเท่าไหร่ เราเาไอ้น네ี ugh, ่นาคามข้าเ่องารยู่นาารไารตัวยู่เลยเา้เราก็้าำาทตั้งแต่้ตดอยู่ในอัรายมากที่สุดแล้วตั้งแวนังนนม มันดูะครับอย่างนีคือกาานารยทองนท่านผม้อนี้าขนะครับาเราพมาเยใจรอ้ับานตสำคตัวท่านอยู่ใน้นจนะครับถ้าไม่พูดอย่างนั้นเราเขไม่รู้ปะเช่นอานนท์อานนท์ เราเหิว น, น้ำเอาน้ามาให้เราดื่มเถิดอนุ์เอ๋ยเราจะพักโกนกวายเยะก่อนเวลากำลังจะปอยมันพุชีนาราก็คาดคาดเลยเขาว่ามันเป็นอนัตตาดอกมันว่างไม่ใช่ครับไม่ใช่บุคคลดอกอานุนเอ๋ยท่านก็ไม่แน่ว่าท่านก็พูดตามสมมุติท่านอนุตาอานุนเอ๋ยเอาหน้ามาให้เราดื่มเราจะพักเหลี่ยนกายสักหน่อยเราเหนื่อยแต่วา่าคาดคาดเลขาว่าท่านอานุนเอ๋ย รถคันนี้มอหน้ามันมอหน้ามันแห้งแล้วเธอไปหามอหน้ามาใส่มันเดินมันยังข้ามใคร่ๆเขาพูดอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ต้องพักให้มันสะก่อดเพื่อมันรอดใคร่ๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าไปพูดตามสมมุติถ้าอนุนเขาไม่รู้จักพูดท่านพูดพ่นไปแล้วพูดสมมุติท่านก็ไม่ติดอยู่ในสมมติพูดในมุดท่านก็ไม่ติดอยู่ในมุด เรารู้สมุติตามเป็นจริงของสมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในสมุติเรารู้อิมุตตามเป็นจริงของอิมุติแต่เราไม่ติดอยู่ในวิมุตเพราะเราไม่สําคัญตัวในสมุติและวิมุติใดๆทักซึ้นสําคัญตัวในที่ศูนยูนย์สำคเราก็ไม่สําคัญตัวเมื่อไหร่เราไม่สําคัญตัวในที่นอะไรแล้วเหตุของเราก็ไม่มีผลของเราก็ไม่มีการวางการปล่อยของผมของเราก็ามจมันปล่อยเองมันวางเองมเพราะรู้ทันมันแล้วพูดก็เป็นโลมาศาสตร์ะ เรารู้สังขารตามมาจริงของสังขารที่เกิดดับเรารู้พระนิพพานตามมาจริงของพระนิพพานที่เกิดดับที่ไม่เกิดดับถ้าเราติดอยู่ในพระนิพพานก็เรียกว่าเราไม่รู้พระนิพพานถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขา ร, า ร, ารถ้าเราติดอยู่ในอดีตก็เรียกว่าเราไม่รู้อดีตเราพูดว่าชาตินั้นชาตินี้เราเป็นอย่างนั้นมาอย่างนี้มาแล้วก็ไม่ติดเรพูดเฉยๆไม่ได้เดือดร้อนในจิตในใจอนาคตจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ก็คือร่อน ว่าตนเป็นผู้ว่าตนเป็นผู้ฮะเราอยู่่ได้ในโลกคมมคถูกสมมติเรา็ได้คั่งคาเราไม่เอาสมมติและไม่มุดมาเป็นสงครามกันถ้าเราเอาสมมติและมุดมาเป็นสงครามกันแล้วเรียกว่าเราว่าเราไม่รู้สมมติเอมุดถ้าเรา เอาสมมุติเลยมุดมาเป็นสองขามกับเราอีกมันก็ยิ่งไปใหญ่อีกเลยเยก็แยกสมมุตดเยอะก็แยกเรมยอก็แยกเราออกจากเรมุดเรียกเราออกจากสมมุติแยกเราออกจากสีศูนย์ศูนย์สันสาเรียกเราแยกเราออกจากอันที่ไม่ศูนย์ไม่สันทั้งนั้นมันก็ศูนย์สิศูนยแล้วก็ไม่สาคัญว่าเราอยู่ในศูนถ้าอางนั้นก็อัตราสิ เพราะเราไม่สําคัญว่าเราเป็นอัตตาไม่สําคัญว่าอัตตาเป็นเราเราก็ไม่สําคัญว่าอนัตตาเป็นเราเราเป็นอนัตตามันกันเราไม่สําคัญเราว่าเป็นใดไรทั้งสิ้นที่มันปวดวางกันอยู่ในตัวแต่รู้เห็นเห็นก็เป็นได้สักว่าเห็นจบลงเพียงนั้นเห็นก็เป็นได้สักว่าเห็นก็จบลงเพียงนั้นเดี๋ยวไปต่ออีกไปต่ออีกต่อไปต่อมาต่อไปต่อมากดหยอกนเขาเป็นเจ้าของ ถ้าว่าหลวงปูทท่ท่านสำเร็จแล้วที่ยังต้องทําสมาธิคัมเทพวาบากคัมเทพยบากเพื่อทําคันเทพบากเข้าบรมศาสดาเพื่อบํารุงขันเทพยบากกายสังขารนาจีสังขารจิตตาสังขารมันก็ชอบปรับเปลี่ยนวิเลียบทมันก็ชอบพัดชอบอะไรอยู่ทําตามมันเฉยเฉยทำตามคัมเทพยบากขันเทพยาบาทรุวน พระละกิเลสได้แล้วยังแต่เบนจะขัน พ, พระพระอรหันต์ตายแล้วกิเลสไปละแล้วเบนจะขันก็เข้าสู่พระนิพพาน